สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมในรกรักท่กง่ยวคนชอบเล่าผมอยากจะพาท่านไปเที่ยวที่เมืองลับแลกันบ้างนะครับเมืองลับแลกที่ว่านี้ก็คือเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับตำนานที่เกิดขึ้นในเมืองเพชรบุรีนั้นมีอยู่มากมายหลายเรื่องถ้าหากจะนํามากล่าวถึงก็คงเยอะแยะครับไม่หมดผมจะขอยกตัวอย่างไว้สักเรื่องหรือ2เรื่องแล้วกันนะครับเมืองเพชรบุรีหรือเมืองเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีทั้งทะเล แม่น้ำภูเขาอยู่ครบครันไม่ได้มีชื่อเสียงอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแต่เมืองเพชรบุรีนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างครบครันจึงไม่แปลกที่จังหวัดนี้จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่มากมายอย่างเช่นเขาหลวงซึ่งเป็นภูเขาลูกเล็กๆที่มีความงดงามของธรรมชาติทาให้ภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกัน ในความงามนั้นก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวลึกลับมากมายนอกจากจะมีปริศนาขุมทรัพย์มหาศาลที่ไม่มีใครสามารถนําออกมาได้แล้วหรือความลี้ลับของคนเมืองลับแล่ตำนานแห่งป่าเหล่านี้ได้ถูกเล่าขานสืบมาเป็นพื้นฐานความจริงหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครนั้นที่จะบอกได้อย่างชัดเจนและแม้ถึงว่าหากจะเป็นเรื่องที่เล่าขานกันไม่รู้จักจบสิน้นก็ยังเป็นที่สนใจของคนที่ไปเยี่ยมเยือนอยู่เสมอวัดบุญทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันติดปากจนมาถึงทุกวันนี้ว่าวัดถ้ำแกลบตามลักษณะแปลกประหลาดของถ้ำที่มีขนาดเล็กในวัดที่มีแกลบอยู่กองกราดเกลื่อนเต็มไปหมดซึ่งไม่มีใครทราบว่าแกลบเหล่านั้นมันมาจากไหนจึงได้เรียกกันว่าถ้ำแกลบนั่นเองวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในเมืองเพชรที่ตั้งอยู่เชิงเขาหลวงและก็เป็นที่มาของตำนานคนเมือง ล, ลับแล คราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่5สเสด็จประพาสถ้ากแกลบได้บันทึกลงในหนังสือจดหมายเหตุดังนี้มีคําลือพิเศษถึงสมภารเจ้าวัดตั้งแต่ครั้งโบราณสองค์คือพระนอนนี้วัดถ้ำแก้วเขาหนึ่งวัดบันไดอิดหนึ่งและวัดถ้ำแกบเขาหลวงอีกหนึ่งท่านทั้ง4นี้จะไปมาหาสู่กันย่อมเดินในถ้าใต้ดินเป็นปล่องทะลุถึงกันได้ฟังดูก็เห็นว่าเป็นเรื่องแปลก ในถ้าเหล่านี้แต่โบราณจะมีเข้าของพิเศษต่างๆถ้วยโถโอชามก็มีมากมายครบครันคนครั้งสมัยนั้นๆก็ได้ยืมใช้สอยและก็ส่งคืนพอการเวลาล่วงมาพวกที่ละโมบก็เลยเก็บไว้ใช้เสียเองโดยไม่ส่งคืนผูดพลาที่รักษาก็รู้สึกขัดใจก็เลยปิดถ้ำมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาพระปริยัติธรรมธาดาหรือท่านแพรตาลลักษณ์ซึ่งเป็นชาวเมืองเพชรบุรีได้เล่าเรื่องขยายความถึงความเป็นมาของถ้าแกรบไว้ในหนังสือเรื่อง ตำนานเมืองเพชรบุรีเมษายน2546ว่าแต่ก่อนนั้นนะ่ะมีผู้คนเคยพบเห็นแกลบเท่ากับบุงอยู่ในถ้ำบ่อยๆว่ากันว่าชาวรับแลสีข้าวและตําข้าวเอาแกลบมาทิ้งไว้ที่นี่จึงได้ชื่อว่าเป็นถ้ำแกลบชาวเมืองรับแลก็จะมีรูปร่างอย่างคนเรานี่แหละแต่ค่อนข้างจะดูดีกว่าสวยสะอาดไม่พูดปดและชาวรับแลก็จะมีของวิเศษไว้ใช้เพื่อกําบังตัวที่จะทําให้เราไม่สามารถจะมองเห็นพวกเขาได้ ยกเว้นบางคนที่บังเอิญหลงทางไปพบเข้าหรือผสมผู้เคร่งในศีในวัดจึงจะสัมผัสเขาได้พวกรับแลเป็นพวกที่มีศีลมีสัตย์พูดคาไหนคํานั้นพูดปดกันไม่เป็นแต่ทุกวันนี้แกลบดังกล่าวก็ไม่เคยมีปรากฏให้เห็นอีกเลยก็คงจะเนื่องมาจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหรือคนยุคนี้บันไรยซึ่งศีลธรรมอันดีชาวเมืองรับแลจึงไม่ค่อยมาปรากฏตัวให้เห็นเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านเมืองใต้ดินของเขาไปตลอดการ มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่คนโบราณกล่าวขานกันว่าหากคนใดซื้อของและไม่ต่อราคาก็มักจะเป็นพวกรับแพรดังนั้นก็หมายความว่าแต่ก่อนโน้นพวกชาวบ้านรับแพรมักจะขึ้นมาปะปนอยู่กับพวกมนุษย์อย่างเราบ่อยๆจนทําให้คนเก่าคนแก่สังเกตถึงความแตกต่างระหว่างชาวรับแพลและคนพื้นเมืองได้อย่างชัดเจนและนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าในทํานองเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เข้าใจถึงคนเมืองรับแพร์อ ย, อย่างดีได้เราสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งกระโน้น มีชายหนุ่มเมืองเพชรคนหนึ่งซึ่งพาครอบครัวมาปลูกเรือนอาศัยอยู่บริเวณถ้ำแกลบสมัยนั้นพื้นที่ตรงนั้นยังเป็นป่าตาลไม่มีวัดชายดังกล่าวได้ปีนขึ้นไปบนยอดตาลแล้วเห็นคนกลุ่มหนึ่งทั้งชายทั้งหญิงหามกระบุงเปล่าๆออกมาจากถ้ำแล้วทำอะไรสักอย่างลุกๆนั่งๆค้ายกําลังซุกซ่อนอะไรอยู่บางอย่างสักพักพวกเขาก็จึงออกเดินทางกันไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับข้าวของที่เต็มกระบุงทุกคนในเวลาใกล้ค่า แล้วก็ลุกๆนั่งๆเหมือนเดิมค้นหาสิ่งของที่พวกเขาเหมือนจ้ามาซ่อนไว้แล้วก็พาการเดินหายเข้าไปในถ้ำชายดังกล่าวนี้ได้สังเกตเห็นคนกลุ่มนี้ทําในลักษณะเดียวกันอยู่ทุกวันทุกวันวันหนึ่งชายคนเดิมก็มีความคิดว่าอยากรู้ว่าคนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเขาซ่อนอะไรกันไว้นะและเมื่อพวกเขาพากันออกไปแล้วจึงลงมาจากต้นตาลไปค้นดูก็ไม่พบอะไรนอกจากใบไม้เขาจึงหยิบติดมือมาใบหนึ่งและทิ้งไว้ที่โคนต้นตาล ก่อนที่จะขึ้นไปที่ต้นตาลอีกเพื่อเฝ้าสังเกตกลุ่มคนที่เดินกลับมาและเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวเดินกลับมาแล้วก็มาหาของที่ซ่อนเอาไว้เช่นเดิมและก็หายเข้าไปในถ้ำเว้นแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งไม่ได้เข้าไปด้วยแต่กลับนั่งร้องไหฟ้ฟูมฟายอยู่บริเวณหน้าถ้ำชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงได้ลงจากต้นตาลและเข้าไปถามไทดูก็ได้ความว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นคนเมืองรับแรงสาเหตุที่กลับเข้าไปในถ้ำไม่ได้ก็เพราะไม่มีใบไม้วิเศษ เมื่อได้ทราบความแล้วชายหนุ่มก็จึงไปหยิบใบไม้มาส่งคืนให้นางจึงเชักชวนให้ชายหนุ่มไปอยู่ด้วยในเมืองของนางแต่ก่อนที่จะเข้าไปนั้นนางสั่งให้ถือสัตว์อย่างหนึ่งคือห้ามพูดปลดชายหนุ่มก็ตกปากรับคำเมื่อเข้าไปถึงเมืองรับแ ล, แลแล้วก็อาศัยอยู่กินกับนางเป็นสามีภรรยาหรือหมดเลยครอบครัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยในทุกๆวันตั้งแต่เช้าตรู่นางจะออกไปหาอาหารพอตกเย็นก็กลับมาโดยไม่ให้สามีออกไปไหนเลย และห้ามพูดปดเด็ดขาดเป็นเช่นนี้มาตลอดจนกระทั่งมีลูกด้วยกันนางจึงให้สามีเฝ้าเลี้ยงดูลูกให้ดีวันหนึ่งลูกเกิดร้องไห้หาแม่อย่างหนักนานแล้วภรรยาก็ยังไม่กลับมาสักทีชายหนุ่มจึงเผอตัวโกหกลูกไปว่านั่นๆๆๆแม่เดินมาแต่ไกลแล้วเป็นการปลอบลูกเพื่อจะให้ลูกหยุดร้องแต่ปรากฏว่าฝ่ายแม่ภรรยามาได้ยินเข้าก็สั่งให้ลูกสาวขับไล่ชายคนโกหกออกจากเมืองทันที เหตุนี้ทําให้ชายหนุ่มคนนั้นถูกในประเทศออกจากเมืองลับแแปลไปเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายภรรยาย่อมอะไรอวบ น, นางจึงขุดเอาหัวขมิ้นให้ห่อหนึ่งแล้วก็บอกกับสามีว่าระหว่างทางที่เดินกลับออกไปอย่าทิ้งสิ่งนี้เด็ดขาดเมื่อส่งสามีถึงหน้าประตูเมืองลับแแปลแล้วนางก็หันหลังกลับไปเมืองลับแแปลหายวับไปตัวหน้าตัวตาของชายหนุ่มทันทีทันเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงเดินทางไปตามลําพังตามป่าเขาด้วยความยากลําบาก ห่อขมิ้นก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เขาจึงแก้ห่อขมิ้นโยนทิ้งระหว่างทางไปบ้างทีละหัวทีละหัวจนสุดท้ายเหลือเพียงหัวเดียวจึงกลับไปถึงเรือนของตอนเองเมื่อภรรยาซึ่งเป็นมนุษย์เห็นสามีกลับมาก็ดีใจพอเห็นห่อผ้าที่สามีวางไว้จึงแก้ดูปรากฏว่าเป็นทองคําก้อนโตเมื่อชายหนุ่มรู้ว่าขมิ้นกลายเป็นทองจึงรีบกลับไปตามทางเดินเพื่อค้นหาขมิ้นที่ทิ้งไปมากมายแต่ก็ไม่พบ เท่าที่เล่ามานี้ก็เป็นตำนานชาวเมืองรับแรลที่อาศัยอยู่ในถ้ำแกลบของเมืองเพชรบุรีแต่ชาวรับแรงนั้นจะมีชีวิตมีตัวตนตามคําเล่าขานจริงเท็จแค่ไหนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่คนโบราณ น, นั้นเขาเล่ากันต่อๆมาแต่ถ้ามีจริงๆคนยุคนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้พบแน่นอนเพราะว่าคนยุคนี้มีแต่กิเลสตัณหาเต็มไปหมดแต่ถึงยังไงทุกวันนี้ชาวเพชรบุรีก็ยังมีความเชื่อเรื่องดังกล่าวนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นบริเวณสุดถ้ำแกลบนั้นจะมีโพรงโพรงหนึ่งซึ่งแคบมากๆ มีชาวบ้านเล่าว่าวันดีคืนดีมักจะมีเสียงปี่พาดลานตะโพนหลังออกมาให้ได้ยินอยู่บ่อยๆโพรงแคบๆดังกล่าวนั้นอาจเป็นช่องทางสู่เมืองรับแลแห่งวัดถ้ำแกรบก็ได้และหากจะพูดกันจริงๆคนก็สามารถจะมุดเข้าไปได้แต่คงไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์สักลายเพราะกลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วจะกลับออกมาไม่ได้นั่นเองและด้วยเหตุนี้ขุมทรัพย์ที่รำลือเกี่ยวกับชาวรับแลก็ยังรักษาไว้ในถ้ำแกรบแห่งนี้ ก็ยังคงกลายเป็นเพียงตำนานต่อไปตราบนานเท่านานจนถึงทุกวันนี้นั่นนี่ก็คือตำนานของเมืองลับแปลจังหวัดเพชรบุรีครับที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็หวังว่าคงจะถูกใจผู้ที่อยากจะฟังเรื่องอย่างนี้อยู่นะครับขอพระคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ